อ่าท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อคราวก่อนได้คุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทพาดพิงถึงกรุงอุเทนีย์ข้าพเจ้าอุทเธนบรมกษัตริย์วันนี้เราก็เลยย่องๆเข้าเมืองไปซะเลยดีมั้ยไหนๆก็มาไอ้เฉียดๆเมืองเข้ามาแล้วนี่พุทธบรรดาท่านฤาษีทั้งหลาย ได้ฟังข cues จากธิ convert ノว่าเวลา ast. วPs. ท. สัม пис h g อยู่ที่เฟืองอุ謝謝นี้ความจริงร Pearlsill ทั้งหลาย Igació เพียงรู้มาก่อน แต่แudะว่า เมื่อนน่าใจในองค์ gous ท. พญ ROS มะยาอยู่แล้วฟังข cues อบัล สุรสที่s.บร spatpla Wr. รักศาไม่ Rabadar V. ศ贤กรตา อานุภาพขององค์สมเด็จพระสงฆ์ทันบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บันดาลให้เป็นลุกเทวดาได้มีสมบัติมากจึงเกิดธรรมปีติเป็นกรณีพิเศษพากันมาเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมโลคคเชษฐ์ด้วยความเลื่อมใสฉะนั้นเมื่อเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมตายแล้วอาศัยปีติที่เพิ่มพูนในความเชื่อ ในสมัสภาพของพระพุทธเจ้าฟังเทศน์คราวเดียวจึงได้บรรลุอรหัตตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทายานเมื่อตอนนี้เรามากล่าวกันถึงในบ้านของพระเจ้าเถรบ้างคือในพระราชฐานพระเจ้าเถรนี้มีมีพระชายาคือมเหสีอยู่ 3 ท่านด้วยกันท่านองค์แรกมีนามว่าวาสุนทัตตา องค์นี้พระศีลองค์นี้ไม่ยุ่งกับใครองค์นี้ทรงมีนามะสามาวดีมีหญิงเป็นบริวารอง 500 องค์นี้สามมีนามว่านางมาคันธียาความจริงแม่คันนี่แกคันจริงๆแล้วจะคันยังไงโลว่ากันไปอันนี้มาพูดกันสําหรับวรรณนาสามาวดีมีหญิง 500 เป็นบริวาร ข้าเจ้าแทนบรมกษัตริย์ประมาทท่ามเธอราชทานเงินสําหรับค่าดอกไม้วันหนึ่งไปก็หาพะนะที่มีน้ํากันว่า 8 ตํารึงเมื่อมีเงิน 8 ตํารึงแล้วก็ให้มนางสามมาวดีจึงได้ให้หญิงคนชายคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงหลังค่อมมีนามว่าขุชุตรา เธอเป็นมีหน้าที่ในการซื้อหาดอกไม้แต่ว่ากุจตรานี่ก็ดีเหลือใจบรรดาท่านพุทธบริษัทตามที่โบราณได้กล่าวไว้ว่าการเลี้ยงช้างก็ต้องกิ่งขี้ช้างมันถึงจะอิ่มถ้าเลี้ยงช้างกิ่งขี้หมาเนี่ยมันอิ่มไม่ได้เพราะขี้หมากองมันเล็กนี่นางกุจตราก็เหมือนกัน เมื่อได้รับเงินป่ากาหาปนะคือป่าตําลึงจากพลนาอสามาวดีที่พระเจ้าเทนทรงพระราชทานเพลงค่าดอกไม้แล้วนางแก้วก็ออกไปจากพระราชฐานที่ใช้ได้คนเดียวกับพระว่าหญิงในวังเขาไม่ยอมปล่อยออกนอกวังเป็นประเพณีแต่ว่าหญิงคนนี้ออกไปได้ก็เพราะว่าเป็นคนไม่สวยมีหลังค่อม คงไม่มีผู้ชายคนไหนต้องการแต่บรรณรงค์ครานี้ก็แสนดีเมื่อไปถึงบ้านนายมาลาการคือเจ้าของสวนดอกไม้ก็ก็ยัดยอดสตางค์ไม่ครึ่งหนึ่งเอาไว้ 4 กหาปณะคือ 4 ตำลึงซื้อดอกไม้มา 4 ตำลึงล้อจะครึ่งหนึ่งพอดี นี่ความจริงเรื่องคอร์รัปชันนี่มันไม่มีแต่สมัยนี้มีมาแล้วในการนานเป็นของประจำโลกจึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็คอร์รัปชันกันมากเกินไปก็ถูกด่าก็เป็นเรื่องปกตินี่ถือว่าเป็นธรรมดาของคนโกงปัญญาสามีภรรยามาว่าดีไม่รู้นี่ก็คิดว่า ค่าดอกไม้แปลกจะหาปณมราคาเท่านั้นเพราะว่าพระนางเองก็ไม่เคยออกไปจากพระราชฐานมาในวันหนึ่งในมาลาการได้นิมนต์องค์สมเด็จพระวิชิตตมานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ 500 รูปเพื่อจะไหว้ปัตตาหารนางกุจตรีราคนนี้ก็ไปซื้อดอกไม้ในตอนเช้า นายมลาการยังบอกกับนางขุทุตตราว่าเรื่องดอกไม้น่ะเก็บไปก่อนเรามีให้เจ้าตามความประสงค์แต่วันนี้เรานิมนต์สมเด็จพระพุทธองค์คือพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมบดพระสงฆ์สาวก <c oughs> 500 รูปเป็นอรหันต์ทั้งหมดมารับราชทานฉาเอ้อขอโทษรอบพระราชทานก็ให้แล้ว มื้อฉันป้าต่ออาหารให้บ่ายของเราวันนี้เป็นวันบุญใหญ่สําหรับเธอเธอกับเราไม่ช่วยกันเลี้ยงอาหารพระพุทธเจ้าก่อนการบําเพ็ญกุศลแก่องค์สมเด็จพระชินวรนั้นมีบุญมากมีอานิสงส์มากอานุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิมีพระภาคเจ้าพร้อมไม่ได้พระธรรมและพระสงฆ์ <c oughs> รวมเรียกว่าไตรสรณคมน์ดังแสมาการสามารถจะบันดาลคนที่มีความทุกข์ให้มีความสุขได้คนที่มีความสุขอยู่แล้วให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปได้จอมใจโคจุตตระหลังค่อมจอมโกงก็ยอมรับคําจากนายมารกาญด้วยอาการดุษณีภาพแล้วก็เต็มใจ เมื่อองค์สําเร็จรายจามไตรพร้อมไปด้วยสาวก 500 รูปเข้ามาถึงในบ้านของนายมาลาการนายมาลาการจึงได้ถวายนมัสการอรัตนาให้เสด็จประทับอันในที่อันสมควรแล้วก็จัดพระตาหารเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดที่จัดไว้ให้นางขุทุตราช่วยจัดนางขุทุตราก็ช่วยจัดด้วยความเต็มใจ เมื่อองค์สมเด็จพระอาจารย์ตรายบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันเสร็จพระสงฆ์ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วองค์สมเด็จพระอธิบโพรงทรงบาธิบแก้วก็ทรงอนุโมทนาการโมทนาสมัยนั้นไม่ใช่ว่ายถาสัพพีมาสมัยนี้องค์สมเด็จพระจินสีโมทนาได้การเทศน์โปรด การเทศของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปตั้งท่าประมาทว่าถ้าให้มันผ่าเผยแล้วกลางดำราว่าเป่าเป่าเป่าๆไปคนเดียวไม่ใช่ว่าแบบนี้ก็พระเทศแบบนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเทศกันเท่าไหร่เท่าไหร่มันจึงไม่ได้สําเร็จมรรคสําเร็จผลแม้แต่จะทําคนผู้ฟังให้เข้าถึงไตรสรณคมก็เข้าไม่ได้ เมื่อความจริงเป็นเช่นนี้แต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ได้เทศน์แบบนั้นท่านเทศน์แบบคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาเทศน์ไปแล้วก็ถามคนฟังไปด้วยวันนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเทศน์อานิสงส์ของศีลแล 5 แล้วก็โทษของกันยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเรา พระพุทธเจ้าให้บรรดาท่านผู้บริษัททรงศีล 5 ประการไว้ให้บริสุทธิ์เพราะศีล 5 ประการนี้ถ้าไม่ใครไม่รักษาไว้ให้บริสุทธิ์เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์จะไปเกิดในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นและองค์สมเด็จพระทศพลก็พรรณนาเรื่องนรกให้ฟังว่ามันลำบากแค่ไหน เออแล้วนั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเทศอานิสงส์ของศีล 5 เพราะการรักษาศีล 5 ตายจากโลกนี้แล้วถ้าไปเกิดเป็นคนก็เป็นคนสวยเพราะได้อนาถมีเมตตาจิตไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเพราะไม่ประทุษร้ายเขามีอายุยืนนานเพราะไม่ฆ่าเขาให้ตาย <c oughs> จะมีทรัพย์สมสมมาแต่หลายมั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ไม่ถูกกักขี่ภัยคือไฟไหม้ไม่ถูกโจรกระภัยคือโจรลักไม่ถูกอุทกภัยคืนน้ำท่วมไม่ถูกวาทภัยคือลมพัดให้พินาศไปแล้วก็บุคคลนั้นหลายใต้บังคับบัญชาจะอยู่ในโอวาทไม่มีใครทุจเจริตคิดมีชอบ นอกจากนี้ไปกว่านั้นมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นบุคคลผู้ใดได้ฟังก็ชื่นอกชื่นใจเป็นวาจาอันเป็นทิพย์และในที่สุดสติสัมปชัญญะก็ไม่ฟั่นเฟือนไม่เป็นโรคประสาทไม่บ้าไม่คลั่งนอกจากนั้นบุคคลที่รักษาศีล 5 บริสุทธิ์สีเลนะสุคติยันติพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าตายจากความเป็นคน ถ้าไม่เกิดเป็นคนก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นเทวดาเป็นต้นศีลและนภกสมถะจะมีอธิปสมบัติมากศีลและอธิปติงยันติศีลเป็นปัจจัยให้เข้าสู่ของนิพพานและองค์สมเด็จพระพุทธทัยก็ทรงยกอริยสัจคือให้พิจารณาเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ทุกข์มาจากความอยากคือตัณหา สิ่งที่ไม่มีอย่าอยากจะมีขึ้นถ้ามีเองไม่ได้ก็ตั้งใจขโมยชาวบ้านเขาด้วยความพุทธจิตสิ่งที่มีอยู่แล้วก็อยากให้มันทรงตัวไม่อยากให้เคลื่อนไปเวลาที่มันจะเคลื่อนไปก็ไม่สบายใจดิ้นรนให้มันกลับคืนกลับมาอีกพระพุทธเจ้าเทศน์มากกว่านี้เป็นอันว่านางขุททตราฟังเทศน์ขององค์สมเด็จพระชินสีห์รู้ตัวว่าทำชั่วเสร็จแล้ว ว่าได้ภาตินาทานที่องค์สมเด็จพระปฏิเบกเจ้าทรงตรัสจิตใจของนานสมัยนั้นในขณะนั้นก็ตัดจากความชั่วตั้งตัวอยู่ในสรณคมพระพุทธเจ้าเทศน์จบเธอก็ได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา การเป็นพระสูลดาบัญนะพระสูลดาปฏิผลนั้นก็เป็นยังไงเค้าบรรดาท่านพระพุทธบริษัทจําให้ดีจะได้ประพฤติปฏิบัติตามคืออารมณ์ที่ทรงความเป็นพระสูลดาบัญนั้นมีอยู่ 4 ประการด้วยกันคือ 1 มีความเคารพในพระพุทธเจ้า 2 มีความเคารพในพระธรรม 3 มีความเคารพในพระสงฆ์ เคารพจริงๆไม่ใช่สักแค่ว่าเคารพแล้วก็ 4 มีศีล 5 เป็นเป็นเป็นสมมุติเศษคําว่าศีล 5 เป็นสมมุติเศษนี่หมายความว่ารักษาศีล 5 เป็นปกติไม่ยอมให้ศีลขาดแล้วได้ใจเลยไปกว่านั้นสักนิดนอกจากองค์นี้ก็คือมีจิตใจนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าเราต้องการพระนิพพานนี่แถมนะเป ถ้าหม่อมมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่แถมแต่องค์จริงๆน่ะมีโยสิอย่างคือมีความเคารพในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างแท้จริงและก็รักษาศีล 5 เป็นปกติไม่ยอมให้ศีล 5 ด่างพรอยหรือขาดด้วยเจตนาศีล 5 นี้ถ้าจะขาดจริงๆต้องตั้งใจละเมิดถ้าไม่ตั้งใจบังเอิญเดินไปเหยียบมดตายสัตว์ตายอย่างนี้ศีลไม่ขาด สำหรับขันโมสาว่าต้องตั้งใจทำลายประโยชน์ของเขาถ้าพูดเพื่อรักษาประโยชน์สิงห์ก็ไม่ขาดเหมือนกันนี้องค์สมเด็จพระทรงทันเทศจบเธอได้พระโสดาปัตติผลความจริงได้ไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริสาที่กำลังรับฟังอยู่นี้ได้ง่ายๆได้เฉยๆไม่มีอะไรเป็นของยาก แล้วไม่มีอะไรเป็นของมากเพียงแค่รักษากำลังใจนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความเคารพอย่างจริงใจมีศีล 5 บริสุทธิ์เพียงแค่นี้เองบรรดาท่านพุทธบริษัตรเมื่อพระพุทธเจ้าเทศน์จบพระกลับนางขุทุตตรายก็เอาเงิน 8 ตะหาปณะคือ 8 ตำลึงซื้อดอกไม้จากนายมาลาการ นายมาลาการถามว่าทําไมซื้อมากมายในวันนี้เมื่อวานเนี่ยซื้อ 4 ตําลึงนางก็เฉยเสียว่าช่างเถอะเราจะซื้อเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของเราเมื่อนายมาลาการจัดดอกไม้ให้นางอตรา 8 ตําลึงมันก็อีกเท่าตัวนึงนางได้มาก็มามอบให้แก่นางสามาวดี พระนางสามาวดีเห็นดอกไม้ขึ้นมากขึ้นมากกว่าอีกเท่าตัวจึงได้ถามนางขุทจตราว่าวันนี้พระราชาทรงพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อดอกไม้แก่เราเพิ่ม 4 เท่าตัวหรือเพราะการใดดอกไม้จึงได้มากขนาดนี้นางขุทจตราเวลานี้เป็นคนดี จึงได้กล่าวทูลจอมศักดิ์ศรีของพระเจ้าเทนว่าความจริงพระราชาไม่ได้เพิ่มอัตราค่าดอกไม้คงให้มาวันละปลายก็หาบณะตามปกติแต่ว่าวันก่อนๆน่ะหม่อมฉันโกงเอาไว้สักครึ่งหนึ่งนี่เป็นพระโสดาบันแล้วนี่รักษาศีลบริสุทธิ์โกหกไม่ได้โกงก็ไม่ได้ ในระบตามความเป็นจริงกับยอดหญิงสามาวดีว่าบางก่อนหม่อมฉันนี่โกงไว้ครึ่งหนึ่งเอาไว้ 4 ตำลึงเป็นทุนส่วนตัวแต่วันนี้ไม่ยอมโกงแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ขอโกงตั้งนี้เพราะไรเพราะว่าวันนี้ได้ฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าว่าว่าโกงเป็นบาปพระนางสามาวดีก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนี่เธอ เอาไว้ตามปกติก็ได้เพราะฉันไม่ว่าอะไรให้ส่วนที่แล้วก็แล้วกันไปฉันยกให้ต่อไปก็เก็บเอาไว้วรรณศรี 4 ตําลึงก็แล้วกันดอกไม้เท่าราคา 4 ตําลึงที่นํามาก็พอแก่ความต้องการแล้วนางกุจตรานเดินบอกว่าไม่ได้หรอกวันนี้ฟังเทศน์จากองค์สมเด็จพระบาทที่ 9 โกงก็ไม่ได้บอกให้ก็ไม่เอา ต่อเดนี้ไปขอเป็นคนดีแล้วไม่ยอมเป็นคนเลวเมื่อพระนางสามาวดีฟังธรรมองค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าอบัตแล้วก็มีพระสงฆ์นางโกจุตตราได้ฟังเทศน์ความเลื่อมใสก็เกิดในองค์สมเด็จพระบรมโลกะเศร้าขึ้นมาทันทีพร้อมทั้งหญิงบริวารอีก 499 คนต่างคนต่างคนดีใจ อยากจะเห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรแต่อยากจะฟังเทศแต่ว่าโอกาสที่จะออกจากพระราชฐานยังไม่มียอดนารีจึงได้บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศว่ายังไงไหนเธอลงเทศให้เราฟังดูทีหรือพระนางนางโกจิตราจึงบอกว่าการที่พระพุทธเจ้าเทศน่ะหม่อมฉันจําได้ ทำไมล่ะที่องค์สมเด็จพระจอมตายะเทศนี่สิหรือว่าอย่าเทศยามพระพุทธเจ้ามันเป็นของลำบากถ้าแม่แม่เจ้าต้องการให้แท้จริงๆก็จงตั้งธรรมาสน์ขึ้นเอาเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านเทศท่านทั้งตั้งธรรมาสน์ถ้าจะทําว่าธรรมาสน์นี่แปลว่าอาสนะเป็นที่แสดงธรรมต้องนั่งสูงกว่าคนฟังนิดหน่อย พระนางสามาวดีข้าหญิงทั้ง 500 ช่วยกันจัดอาสนะเป็นที่แสดงธรรมนางกุจุตราก็บอกว่าก่อนที่จะแสดงธรรมร่างกายเวลานี้ร่างกายหม่อมฉันสุขภาพต้องอาบน้ําชำระร่างกายเสียก่อนไม่เช่นนั้นธรรมขององค์สมเด็จพระชินวรจะไม่สะอาดพระนางสามาวดี ก็บอกให้ถึงท่านหลายนําน้ําหอมสําหรับนางอาบเองมาก้าวหมอมาให้นางโกจุตตราอาบมานางโกจุตตราอาบน้ําแล้วก็นุ่มผ้าห่มผ้าสบายเขียงขึ้นสู่ธรรมมาสวางลีลาในการแสดงพระธรรมเทศนาเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิด เธอมีปัญญาประเสริฐมากจำลีลาของพระพุทธเจ้าได้หมดพูดกันง่ายๆได้ว่าเถรเรียนแบบพระพุทธเจ้าเลยจำมันได้เกลือบทุกท้ายธรรมแดงลีลาเหมือนพระพุทธเจ้าทุกอย่างบรรดาเวียงได้หลายเหล่านั้นมีพระนางสามาวดีเป็นประธาน 500 คน คณะที่ฟังเทศน์จากนางโกจุตตราก็ตั้งใจเมื่อเวลานี้แล้วฟังเทศน์จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้คิดว่าผู้เทศน์คือนางโกจุตตราเหตุจึงว่าตกาลนี้นางโกจุตตราเทศน์นี้ก็คือเป็นพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเจตนงของนางตั้งตรงเฉพาะพระพุทธเจ้า เมื่อนางขุททตราชเทศจบบรรดาหญิงทั้ง 500 มีพระนางสามาวดีเป็นประธานก็บอกกับเอ่อไม่ใช่บอกเมื่อนางขุททตราชเทศจบพระนางสามาวดีเป็นประธานพร้อมทั้งหญิง 500 ก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลในผมขอโทษ ก็ได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนานี่ดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้ามันจะง่ายเหลือเกยการบรรลุพระโสดาปัตติผลรู้สึกว่าเป็นไม่ยากนางขุชุตราฟังเทศน์ครั้งเดียว บรรดาประโศนาปฏิผลทั้งๆที่ตนเองนั้นเป็นคนมิจฉาทิฏฐิเป็นคนพฤติจริตคิดมิชอบโกนเงินเจ้านายวันละครึ่งเอาสมารด้วยคราวนี้สมมุติว่าบรรดาคนประชาชนคนทั้งหลายที่มีจิตใจประกอบไปด้วยอกุศล มีจิตใจของตนเป็นคนไม่เคารพในศีล 5 ประการเช่นเดียวกับนางโกชิตราบางท่านก็ทําปานาธิบัติเป็นปกติบางท่านก็ประกอบอทินนาทานลักขโมยเปล่งเขาโกงเขาเป็นปกติอย่างนางโกชิตราเพื่อนนางโกชิตรานี่โกงเจ้านายเป็นปกติ เออบางคนทํากาเมสุมิจฉาจารเป็นปกติคําว่ากาเมในที่นี้ก็คือหญิงในปกครองไม่ใช่แต่เฉพาะผัวเค้าเมียเค้าเท่านั้นลูกเค้าคนชายเค้าคนอยู่ในการครอบครองของเค้าทั้งหมดถ้าเราจะร่วมรักก็ต้องขออนุญาตให้เจ้าของเค้าอนุญาตเสียก่อน ถ้าแม่อนุญาตแล้วผู้ปกครองแม่อนุญาตหรือเจ้าของแม่อนุญาตถือว่าเป็นกาเมย์ทั้งสิ้นอย่าไปนึกนะว่าข้าได้แค่ได้ปัญญาเขาหรือสามีเขาลูกเขาก็ใช่เขาคนในบริษัทของเขาคนในครอบครองของเขาก็ถือว่ามีคู่ปกครองทวยกาเมย์นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทน่ากลัวจะลำบากมาก อย่าแก่การปฏิบัติสําหรับคนสมัยนี้เราคุยกันไปนี่ถ้าหากว่าบังเอิญคนใดก็ตามทีมีความประพฤติอย่างนี้ก็คิดว่าเรานี่บาปมากคนจะไม่มีโอกาสมีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเราประกอบไปด้วยความทุกข์กรรมที่เป็นอกุศลคงจะไม่พ้นอบายภูมิ ถ้าคิดอย่างนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังเรื่องราวของนางโกสุตตรรานางโกสุตตรรานี้เป็นสตรีที่ประกอบด้วยความพุทธจิตมาในเบื้องต้นค้ำมาฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระโทดสพลจิตเป็นกุศลสูงส่งกว่าได้เป็นประโสนาบัน อาพนล้วนแล้วท่านผู้บริสาทุกท่านจะถามว่าเป็นพระโสดาบันแล้วบาปอกุศลเดิมๆมันลบล้างไปหรือยังไงบุญล้างบาปได้หรือเป็นประการใดก็ต้องขอตอบว่าบุญนี่ล้างบาปไม่ได้แต่ว่าเราก็สร้างกําลังของบุญให้ยิ่งใหญ่กว่ากําลังของบาปถ้าเราเข้าถึงพระโสดาบันแล้วคําว่าบาปอกุศลเดิมๆ ที่เราทําไว้ในชาติก่อนบ้างชาตินี้บ้างที่เรายังให้ผลไม่หมดบาปอุปสนนั้นหลายเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะดึงเราลงสู่อบายภูมิคือหมดกําลังที่จะดึงจะลงโทษเราได้ก็แต่เพียงว่าร่างกายของเรายังทรงอยู่เท่านั้นอย่างปานอธิบายก็ได้ผลได้เพียงว่าเราเจ็บไข้ไม่สบาย เหลือบ่ต้องทําร้ายทางร่างกายเพราะเศษของกรรมเพียงบาปอทินนาทานก็มีอยู่แต่เพียงว่าเข้าของที่มีอยู่มันถูกลักถูกขโมยไปบ้างเป็นของธรรมดานี้เป็นเศษของกรรมเราไม่มีโอกาสตกอบายภูมิมีนรกเป็นต้นถ้าเราเคยโกหกมนุษย์ท่านก็ไว้แล้วก็ถูกเขาโกหกก็บ้าง เราเคยมีท่อกาเมสุมิชชาจารย์ผลที่จะพึงได้ก็เป็นส่วนย่อยคือเป็นเศษกรรมได้แต่คนใต้บังคับบัญชาไม่อยู่ในอาวาสเราเคยดื่มสุราเมรัยก็จะเกิดเป็นโรคประสาทขึ้นมาบ้างเล็กน้อยปวดหัวมัวตาลืมน่นลืมนี่เป็นของธรรมดานี่เป็นเศษของกรรม เมื่อเราเป็นมะโสนาบันแล้วกดของกรรมที่เป็นอกุศลได้ผลได้แต่เพียงแค่นี้นี่แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงบุญกุศลไม่มีโอกาสลบล้างความชั่วแต่ว่ามีกําลังเหนือความชั่วพาตัวให้พ้นจากอบายภูมิเพื่อไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน จะวนไปวนมาเป็นแค่สวรรค์พรหมโลกกามนุษย์เท่านั้นนี้การเป็นประสูติอาบัติถ้าเรามีกําลังใจอ่อนก็จะเกิดเป็นมนุษย์อีก 7 ชาติก็จะถึงพระนิพพานเป็นอรหันถ้ามีกําลังใจอย่างกลางมีความเข้มแข็งอยู่บ้างก็จะเกิดเป็นแค่ 3 ชาติ ถ้ามีกําลังใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวที่สุดเราก็จะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเกี่ยวเข้าถึงซึ่งพระนิพพานนี่แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัตรทุกท่านถ้าฟังเรื่องราวของพระนางสามาวดีและนางขุทุตตราก็คงจะเข้าใจแล้วก็เบาใจได้ที่ว่ากรรมไม่ดีนี่มันให้ผลเราไม่ได้เมื่อเราเป็นพระโสดาบัน เอิ้นนําไปอบายภูมิไม่ได้ถ้าเรายังเกิดอยู่มันก็เก็บเล็กเก็บน้อยเก็บดอกเบี้ยเป็นของธรรมดาเมื่อนางสามาวดีและหญิงทั้ง 500 คนเป็นบสนาปฏิผลก็มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามากอยากจะออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าภายนอก แต่ว่านางกุจตราก็เป็นหญิงฉลาดจริงๆยอดหญิงจริงแนะนําพระนางสมาวดีว่าโอกาสเช่นนี้ยังมีไม่ได้พระพุทธเจ้ากล่าวเพราะว่าระเบียบในพระราชฐานก็ห้ามไว้ว่าหญิงภายในห้ามออกภายนอกถ้าพระแม่เจ้ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทั้งกลางวันและกลางคืนค่อยตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระธิบดีแก้วไว้ก็แล้วกันยืนนั่งนึกถึงองค์สมเด็จพระทรงทันพร้อมด้วยพระธรรมที่ทรงสั่งสอนความดีขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาก็จะบันดาลให้พ่อแม่เจ้าและหญิงทั้งหมดนี้มีความสุขนี่เขาพูดกันอย่างพระอริยเจ้าพูดกัน เอ่นนางโกจุตตราก็เป็นพระโสดาบันเวลานี้หญิงทั้ง 500 มีพระนางสามาวดีเป็นประธานก็เป็นพระโสดาบันด้วยนี่ลองคิดกันดูว่าพวกเราเหล่าพุทธบริษัทที่กําลังฟังอาตมาพูดอยู่นี้จะเป็นพระโสดาบันได้มั้ยหญิงทั้ง 500 ก็ตั้งใจรักษาศีล 5 บริสุทธิ์ มีความเคารพในพระพุทธพระธรรมเป้าสงเป็นพระโสดาบันได้เขากับเราต่างกันตรงไหนบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความเกิดเหมือนเรามีร่างกายเหมือนเรามีความรู้สึกหนาวร้อนหิวกระหายเหมือนเราปวดอุจจาระปัสสาวะเหมือนเราแต่ว่าเขาเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้ แล้วก็เหล่าเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายที่กําลังนั่งฟังอยู่เวลานี้จะเป็นพระโสดาบันได้บ้างไหมลองไว้กําลังใจของท่านดูทีแล้วว่าการเคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียทองไม่ต้องโรงแรงเพียงแค่แค่ใช้กําลังตาใจตั้งใจแสดงความเคารพด้วยความจริงใจเท่านั้น เอ่อไม่ปรามาตในพารัตนทรายคือไม่ดูถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ไว้แต่พระสงฆ์เดินขบวนแล้วก็พระสงฆ์ที่ออกเร่การเป็นอะไรน่ะองค์การหรือว่าสมาคมอะไรต่อต้านชาวนาต่อต้านรัฐบาลพระสงฆ์ประเภทนี้ไม่เกี่ยวพระสงฆ์ประเภทนี้เกี่ยวด้วยไม่ได้หรือบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะเป็นอรัจฉีไม่มีความอายพระพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นพุทธสาวก รวมความว่าพระพุทธเจ้าไม่ถือว่าท่านผู้นี้เป็นพระถือว่าเป็นเณรทิเป็นเปรตในเครื่องห่มห่อของผ้ากาสาวะภัตไม่ใช่สาวกองค์สมเด็จประทรงสบัดติโสผ้าให้เคารพในพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีประพฤติชอบและนอกจากนั้นเค้ารักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์มันยากเกินไปไหมบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าไม่ยากเกินไปก็ลองปฏิบัติเอาไว้เวลานี้มองโดยเวลาเห็นว่าหมดเวลาพอดีก็ยังต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งแล้วในที่สุดแห่งการสนทนากันนี้อาตมาภาพในฐานะประสงค์ในพระพุทธศาสนาขอตั้งสติญาณอธิษฐาน<ส>